ท่าี่นั่งให้เป็นที่สบายนั่งตามอัธยาใัยในท่าใดที่เห็นว่าเป็นท่าที่สบายก็ขอได้โปรดนั่งจะนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาวางทับมือซ้ายไว้บนตัก ก็แล้วแต่จะสะดวกบัดนี้ท่านทั้งหลายได้เตรียมท่านั่งสมาธิเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปขอให้นึกถึงพระบรมครูและพระธรรมคำสอนตลอดจนสาวกของพระพุทธองค์ ด้วยคําว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุโธธัมโมสังโฆพุโธธัมโมสังโฆแล้วน้อมจิตน้อมใจนึกว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดี อยู่ในจิตของเราเท่านั้นแล้วเราจักสำรวมเอาที่จิตอย่างเดียวจงทำจิตของตัวเองให้เป็นกลางอย่าส่งไปข้างซ้ายข้างขวาศูนย์กลาง ของจิตยอยู่ที่ตรงไหนอยู่ส่วนกลางของกายแล้วกําหนดรู้ลงที่นั่นสำรวมในจิตนึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเพียงคำเดียวในขณะที่เด็กบริกรรมภาวนาพุทโธอยู่ เพียงแต่ประคองจิตให้นึกอยู่ที่พุทธโธให้พุทธโธอยู่ที่จิตแล้วพยายามนึกพุทธโธให้ติดต่อกันอย่าให้มีช่วงว่างแล้วก็นึกพุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทธโททธโทอยู่อย่างนั้น ต่อไปนี้ขอให้ท่านกำหนดจิตนึกบริกรรมภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปสักพักหนึ่งเ <c oughs> ทียงใจเนกพุโทโธด้วยความเบาเบา สลัดความนึกคิดที่จะให้จิตสงบหรือความอยากรู้อยากเห็นอะไรต่างๆออกให้หมดหน้าที่มีเพียงแค่นึกพุโทโธอยู่อย่างเดียวเท่านั้นสติก็ไม่ต้องไปตั้งเพื่อเราตั้งใจจะนึกพุโทโธแล้วสติมาเอง เพราะเราตั้งใจจะนึกพุโทโธเมื่อท่านนึกพุโทโธบริกรรมภาวนาอยู่ทั่วขณะหนึ่งเมื่อจิตมีอาการเคลิมเคลิมเหมือนกับจะง่วงนอนอย่าไปทำความแปลกใจเอใจหรือตกใจเพราะอาการอย่างนั้น ให้ประคองจิตเนตบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธเรืร่อยไปเมื่อจิตมีอาการวูบวากคออย่าไปตกใจใดๆทั้งนั้นทำสติประคองจิตรู้อยู่เฉย แม้จิตจะมีอาการวูบลงไปก็อย่าไปตกใจถ้าจิตของท่านยังเล็กบริกรรมภาวนาพุทโธอยู่ก็บริกรรมภาวนาเรื่อยไปจนกระทั่งจิต็นบริกรรมภาวนาเองโดยไม่ได้ตั้งใจ ในตอนแรกเราตั้งใจนึกพุโทโธพุธโทโธแต่เมื่อจิตอยู่กับพุโทโธพุธโทโธอยู่กับจิตไม่พลาดจากกันจิตของเราจะนึกบริกรรมภาวนาพุโทโธเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเมื่อเป็นเช่นนั้นแสดงว่าการบริกรรมภาวนาของเรา กำลังเริ่มจะได้ผลเมื่อจิตบริกรรมภาวนาเองโดยไม่ต้องตั้งใจเขาย่อมบริกรรมภาวนาเองโดยอัตโนมัติแสดงว่าจิตของผู้ภาวนามีองค์ของฌานเือมีวิตกกับวิจาร เมื่อผู้ภาวนาได้วิตกวิจาร์เป็นองค์ประกอบของการภาวนาจิตของผู้ภาวนาย่มจะมีความสมราบดูดดด่มในบริกรรมภาวนานั้นแล้วจะมีอาการเออบอิ่มใจ มีอาการดูดดื่มอยู่กับบริกรรมภาวานั้นในช่วงนี้ผู้ภาวาอาจจะเกิดมีอาการขนลุกชูฉันร่างกายโยกโครงหรือตัวฉันสัน่นรู้สึกว่ามีกายเบาจิตเบากายเริ่มมีความสงบ จิตเริ่มมีความสงบความกระวนกระวายและความฟุ้งซ่านแห่งจิตลดน้อยลงหรือหมดไปยังเหลือแต่จิตที่จดจ้องอยู่ที่บริกรรมภาวนาความมีปีติย่ำบังเกิดขึ้น เมื่อปีติบังเกิดขึ้นความสุขอันเป็นผลฝ่อยได้ย่อมบังเกิดขึ้นเป็นเงาตามตัวผู้ภาวนาจะรู้สึกว่ามีกายเบามีจิตเบามีกายสงบมีจิตสงบกายสงบคือสงบจากความทุกขเวทนา หายความปวดหายความเมื่อยหายความฟุ้งซ่านลำคาญจิตก็ปลอดโปร่งไม่ฟุ้งซ่านกระวนกระวายในขั้นนี้บางครั้งจิตของผู้ภาวนาจะรู้สึกว่ามีความสว่างสวัย แต่บริกรรมภาวนาอาจจะยังยังอยู่ยังไม่หายไปจิตยังเล็กบริกรรมภาวนาเองแต่รู้สึกแถวเบาเข้าอาการหายใจค่อยละเอียดลงละเอียดลง จนกระทั่งจิตปล่อยวางบริกรรมภาวนาไปนิ่งว่างอยู่เฉยๆจิตเดิมรสของปีติและความสุขความสงบกายความสงบจิตละเอียดยิ่งขึ้นเมื่อจิตปล่อยวางบริกรรมภาวนาในบางครั้งจิตจะว่างอยู่เฉยๆ มีแต่ความสว่างว่างอยู่เท่านั้นในบางครั้งจิตจะยึดลมหายใจเข้าออกเป็นสิ่งรู้แล้วก็ทำสติรละลึกอยู่กับสิ่งนั้นผู้ ภ, ภาวนดากำหนดเอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติ เมื่อจิตกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจในบางครั้งการหายใจอาจจะแรงขึ้นบางครั้งการหายใจอาจจะแผ่วเบาลงบางครั้งรู้สึกคล้ายๆกับลมหายใจจะหายขาดไปอาการทั้งหลายเหล่านี้ เป็นอาการที่จิตกำลังเริ่มจะแสดงความสงบอย่างละเอียดผู้ภาวนาไม่ควรตกใจหรือเอกใจใดๆทั้งสิ้นหน้าที่ของเรามีแต่ประคองจิตให้รู้อยู่ที่ลมหายใจทำสติร ะ, ล, ะลึกอยู่กับลมหายใจ แม้ว่าลมหายใจจะหายขาดไปก็ไม่ควรจะตกใจในที่สุดแม้ร่างกายจะหายไปหมดก็ไม่ควรจะตกใจแต่โดยส่วนมากถ้าลมหายใจหายขาดไปร่างกายหายไปในความรู้สึกจิตย่อมจะไม่มีความหวั่นไหวและไม่มีความเอกใจ เพระกายหายไปแล้วจิตไม่มีประสาทสำหรับใช้ความคิดมีแต่จะไปสงบนิ่งว่างอยู่เฉยๆแล้วจิตสงบประเอียดไม่รู้สึกว่ามีตัวมีตนมีแต่จิตดวงเดียวล้วนๆสงบนิ่งสว่างสวัยอยู่ ในตอนนี้เรียกว่าจิตเข้าสู่อัปปนาสมาธิจิตเข้าสู่อัปปนาสมาธิในขั้นแรกเป็นปฐมมะจิตเป็นปฐมวิญญาณเป็นมโนธาตุยังไม่มีพลังเพียงพอที่จะปฏิวัติตนไปสู่ภูมิความรู้ ได้แต่นิ่งว่างสว่างอยู่เฉยๆแต่ถึงกระนั้นก็ยังทำให้ผู้ภาวนาหายความสงสัยข้องใจในปัญหาที่ว่าสมาธิคืออะไรเพราะเมื่อจิตสงบลงไปแล้วผู้ภาวนาย่อมรู้ว่านี่คือสมาธิ นี่คือความสงบของจิตขั้นสมถะแม้ว่าจิตจะยังไม่เกิดความรู้ใดๆขึ้นมาก็ตามแต่หากเป็นฐานที่สร้างพลังของจิตเมื่อผู้ภาวนามาฝึกอบรมจิตให้มีความสงบนิ่งอย่างนี้หลายๆครั้งหลายๆคราว โ้ภาวนาจะสามารถกำหนดวิถีจิตของตนเองตั้งแต่เริ่มแรกที่เราเริ่มเึกถึงบริกรรมภาวนาจะกำหนดได้ว่าสมาธิในขั้นต้นต้องมีวิตกวิจารปีติสุขและเอกับข้าตาสมาธิที่สงบลงไปในระดับกลางกลาง จะปล่อยวางวิศวิจารยังเหลือแต่ปีติศกับเอกับขตาสมาธิที่ละเอียดเข้าไปหน่อยจะปล่อยวางปีติยังเหลือแต่สขกับเอกับขาตาในขั้นนี้กายยังปรากฏอยู่อย่างละเอียด สมาธิขั้นละเอียดจะปล่อยวางความสุขยังเหลือแต่เอกขตากับอุเบกขาตอนนี้กายหายไปหมดแล้วเมื่อกายหายไปหมดแล้วความสุขไม่ปรากฏความทุกข์ก็ไม่ปรากฏมีแต่ความเป็นกลาง เป็นกลางโดยไม่มีสุขโดยไม่มีทุกข์เป็นกลางโดยที่จิตไม่ได้อาศัยอะไรเป็นอารมณ์เป็นตัวของตัวเองโดยเด็ดขาดไม่ได้พึ่งพาอาศัยอารมณ์อันใดเป็นเครื่องยึดจิตเป็นตัวของตัวเองยึดตัวของตัวเองเป็นสิ่งรู้โดยอัตโนมัติ เพราะจิตโอยู่ในจิตแล้วสว่างสวัยเบิกบานแจ่มใสอยู่นี่คือพุท ธ, ธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดังคำที่เราได้สวดมนต์ไปแล้วเมื่อจิตเข้าไปสู่สมถะในขั้นในตอนต้นๆซึ่งจิตยังไม่มีพลังงาน ก็จะได้แต่นิ่งอยู่เฉยๆอันนี้คือวิธีจิตที่เดินตรงเข้าไปสู่ความเป็นสมาธิอย่างละเอียดในขั้นสมถะกรมทานหรือเรียกว่าอัปปนาสมาธิที่นี้ตั้งแต่วิธีจิตที่เดินมาตั้งแต่สมาธิขั้นต้น ตอนต้นๆที่เรานึกถึงบริกรรมภาวนาจนกระทั่งจิตดำเนินมาถู่ความสงบนิ่งโดยไม่มีอะไรเหลือมีแต่ตัวรู้กลางอดอยู่เท่านั้นช่วงระหว่างกลางๆบางทีอาจจะเกิดมีประสบการณ์ขึ้นในระหว่างนั้นเช่นเมื่อผู้บริกรรมภาวนาจิต สงบสว่างลงไปนิดหน่อยเมื่อกระแสจิตส่งออกไปข้างนอกยอมจะรู้เห็นนิมิตต่างๆเช่นโลกคนโลกสัตว์พูดตีปีศาจหรือภาพนิมิตต่างๆซึ่งจะปรากฏให้รู้ให้เห็นเปรียบเหมือนกับเวลาที่เราดูหนังอยู่ในจอ หรือบางทีอาจจะปรากฏนิมิติคล้ๆกับว่าตัวเรานี่เดินออกจากร้างแล้วก็ไปเที่ยวอยู่ตามภูเขาเหล่ากาปา่าตรงไปมองเห็นประสาทวิมานที่สวยงามเห็นเทวดาเทพพระบุตรอินทรม์มอันนี้เป็นนิมิตซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่จิตส่งกระแสะออกไปข้างนอก เมื่อจิตเกิดมีใิมิตขึ้นมาอย่างนี้ถ้าหากว่าผู้ภาวนาต้องการอยากจะรู้เห็นอะไรเช่นนรกสวรรค์เป็นต้น <c oughs> เมื่อน้อมจิตนึกถึงนรกก็จะเห็นนรกน้อมจิตนึกถึงสวรรค์ก็จะเห็นสวรรค์น้อมจิตนึกถึงบิดามารดาปู่ย่าตายายที่ล่วงลับดับหายไปแล้วก็จะเห็นท่านเหล่านั้น อันนี้เป็นเรื่องการภาวนาเห็นแม้ว่าการเห็นอันนี้ผู้ภาวนาที่มีความฉลาดสามารถที่จะยับยัง้งความรู้สึกไม่ให้หลงในนิมิตนั้นๆเขาจะกำหนดปายเพียงแค่ว่านิมิตทั้งหลายเหล่านั้นเป็นแต่เพียงอารมณ์สิ่งรู้ของจิตสิ่งลเล็กของสติ ยอมจะประคองติต ด, ดูเถย อ, อยู่โดยไม่ไปเกาะติดหรือยึดยึดสิ่งที่มองเห็นนั้นๆว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเขาจะประคองติดให้มีสติรู้เถย อ, อยู่แม้ว่านิมิตนั้นๆจะแสดงอาการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามผู้ภาวนาที่มีสติสัมปชัญญะ ดีพอสมควรจะไม่หลงติดนิมิตนั้นนั้นเพียงแต่ถือเป็นอารมณ์เครื่องรู้ของจิตเครื่องละลึกของสติเท่านั้นเองเมื่อจิตไม่ไปยึดกับสิ่งเหล่านั้นจิตก็ไม่ส่งกระแสะออกไปข้างนอกเมื่อจิตยึดสิ่งนั้นเป็นสิ่งรู้ของจิตแล้วก็เป็นสิ่งละลึกของสติ กำหนดรู้เฉยอยู่ผู้ภาวนาจะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏนั้นเพราะสิ่งที่ปรากฏนั้นย่อมมีเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงระดับไปบางทีเห็นลูกคนโูกสัตว์ถ้ากำหนดดูอยู่เฉยๆอสุภนิมิตจะปรากฏขึ้นแก่ผู้ภาวนาบางทีคนและสัตว์ที่มองเห็นนั้นอาจจะแสดงอาการล้มตายลงไป แล้วก็ขึ้นเอืดเน่าเปื่อยผุพังไปตามธรรมชาติของคนตายหรือสัตว์ตายในที่สุดเนื้อหนังผุพังไปหมดยังเหลือแต่โครงกระดูกโครงกระดูกก็จะสลายตัวไปเป็นเหตุให้ผู้ภาวนาได้สติปัญญาพิจรารณารู้อสุภสมถาน ถ้าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นหายาสาบสูญจมไปในดินในน้ำในลมในไฟโคฟภาวนาก็จะได้รู้ารธาตุกรรมฐานคือรู้ว่าร่างที่มองเห็นนั้นเป็นสัตว์แต่ว่าธาตุสี่ที่น้ำลมไฟหาความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีแล้วเมื่อจิตมีพลังงานพอที่จะ น้อมสิ่งเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกับตนเองโดยอัตโนมัติเขาก็จะน้อมสิ่งเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกับตัวเองโดยจะได้ความรู้ขึ้นมว่าสัตว์ทั้งหลายเขาล้มตายไปแล้วแล้วสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นที่สุดบบบนี้เขามาตายให้เราดูเขาทั้งหลายเหล่านั้นได้ตายไปแล้ว เรากับเขาก็ไปรีเป็นประเภทเดียวกันมีเกิดแก่เจ็บตายเช่นเดียวกันความตายเช่นนี้จะต้องมาถึงเราในวันใดวันหนึ่งหรือโอกาสใจโอกาสหนึ่งเมื่อจิตมีความรู้สึกขึ้นมาอย่างนี้เป็นอาการที่จิตน้อมเอาธรรมะเข้ามาในตนซึ่งเรียกว่าโอปนาญโก เมื่อน้อมเข้ามาถึงตรนแล้วจิตจะรู้สึกว่ามองเห็นความตายของตัวเองในขั้นแรกๆ ก, ก็จะมีความรู้สึกว่าเราก็จะตายเหมือนอย่างเขาในเมจิตมีความเชื่อมั่นมีศรัทธาว่าเราจะตายจริงแล้วจิตของเราก็จะแสดงอาการตาย เจอแสดงอาการเคลื่อนจุตก่ อ, อกจากร่างแล้วก็ไปลอยเด่นดูเอกเทศส่วนหนึ่งยังเหลือแต่ความว่างแล้วภายหลังจะมองย้อนมาดูกายของตัวเองมองเห็นกายของตัวเองนอนตายเจียดยาวอยู่แม้แต่ผ้าปอนท่อนสบาที่เคยนุ่งห่มก็จะเปลือยเปล่าไปหมด แล้วร่างกายก็จะปรากฏนิมิตให้เห็นแสดงอาการขึ้นอื่นน้มเหลืองไหลเลือดหนังหลุดไปทีละชิ้นสองชิ้นในที่สุดจะยังเหลือแต่โครงกระดูกมองเห็นโครงกระดูกเป็นนิมิตอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนเป็นอุกขะห์นิมิต แล้วบางครั้งโครงกระดูกอาจจะหลุดออกจากกันเป็นชิ้นใครชิ้นเราแล้วก็หักเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่จนกระทั่งแหลกละเอียดเป็นผงโปรยอยู่เหนือพื้นแผ่นดินแล้วก็หายลงไปในพื้นแผ่นดินเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ภาวนาก็จะรู้ว่าร่างกายของเรานี่ มีแต่เพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแต่การรู้ในขณะนั้นจะรู้อยู่ในทีโดยไม่มีภาษาที่จะพูดแต่ความรู้ของจิตนั้นมันจะซึ้งลงไปรู้ตลอดทั่วหมดทุกสิ่งทุกอย่างว่าอะไรเป็นอะไรแต่เขาจะไม่พูดและจะไม่เนึกไม่คิดอะไรทั้งสิ้น ไอ้เจ้าดวงจิตที่สงบสว่างสวัยก็นิ่งอยู่เฉยๆร่างกายที่แสดงอาการขึ้นอืด่ดเน่าเปื่อยผุกพังจนสลายตัวเป็นดินเป็นน้ำเป็นนมเป็นไฟก็เป็นไปตามเรื่องของใครของเราจิตก็อยู่ส่วนจิตส่วนกายที่เป็นไปก็อยู่ส่วนกายแยกกันจากแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดแล้วในที่สุดผืนแผนดินก็จะหายวับไปหมด ยังเหลือแต่สภาพจิตที่สว่างสวัยอยู่ถ้าหากว่าจิตดวงนี้ไปติดสมถะติดความสงบติดฐานก็จะนิ่งว่างสว่างเสย อ, อยู่โดยไม่ย้อนกลับมามองดูสิ่งที่เคยรู้เคยเห็นหมาอีกแล้วมาอยู่จนพอสมควรแล้วก็จะถอนจากสมาธิออกมาเลยแต่ถ้าจิตดวงนี้ไม่ติดสมถะ หรือไม่ติดความสบายในความว่างพอาะพื้นดินพื้นแผ่นดินหายไปแล้วพื้นแผ่นดินก็จะปรากฏขึ้นมาให้มองเห็นอีกผงกระดูกที่หายสาบสูญไปในพื้นแผ่นดินก็จะปลูขึ้นมาอีกเมื่อปลูขึ้นมาแล้วก็จะเกาะกันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจนกระทั่งประิตประต่อกันเป็นชิ้นกระดูกครบสมบูรณ์ แล้วก็จะมาประสานกันเป็นโครงล่างขึ้นมาอีกเมื่อประสานกันเป็นโครงล่างสมบูรณ์แล้วเนื้อจะเริ่มงอกระหว่างข้อต่อของกระดูกกระดูกต่อกันอยู่ที่ตรงไหนเนื้อจะเริ่มงอกขึ้นในจุดนั้นแล้วก็ลามไปจนทั่วทั่วร่างกายคือโครงกระดูกนั้น แล้วเนื้อจะงอบออกมาสมบูรณ์เต็มที่เป็นรูปเป็นร่างโดยสมบูรณ์แต่ยังปราศจากหนังห่อหุ้มผู้ภาวนาจะมองเห็นร่างของตัวเองเหมือนถูกกรอกหนังออกหมดแล้วแล้วในที่สุดเนื้อที่มองเห็นเป็นสีแดงชาดไปด้วยเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองต่างๆ ก็จะค่อยแห้งเกรียมเข้าไปทุกทีทุกทีไล่ที่สุดผิวหนังจะปรากฏขึ้นห่อหุ้มร่างกายเมื่อผิวหนังปรากฏห่อหุ้มร่างกายสมบูรณ์แล้วขนเล็บฟันหรือผมก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นรูปร่างโดยสมบูรณ์